ลำดับที่15โดยหลวงพ้ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่17กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระโมคคลาณเห็นเปร วันนี้เป็นวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพเมื่อวันสองสามวันที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการวางตัวหรือว่าการเป็นอยู่ในระหว่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิ์กับคณะสัทธาญาติโยม ค ว, วววควรจะวางตัวและทำตัวอย่างไรควรจะวางตัวและทําตัวอย่างไรที่สองสาวันที่ผ่านมาก็เราให้แนวความคิดที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะ แ, แต่วันนี้เอาเบาเบาเบาเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบคุณงามความดี การวางตัวสำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนทางเราฟังตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเราฟังทำตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกใครทำกรรมอันไหนไว้คนนั้นจะได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้อันนี้คือหลักของพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพราะหลักของพระศาสนาจะพิสูจน์ด้วยตนเองก็ได้ทรมายังไม่เชื่อใครเหมือนกับเราไม่เชื่อว่าตรงนั้นมันมีไฟเราก็เอาตีนไปจุม่มไปหย่อนดูมันมีคิดเท่าปิดอยู่ก็คงจะรู้ได้แต่ถ้า เราเชื่อควรที่คบุคคลที่ควรเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเราควรเราก็เชื่ออันนั้นจะดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงเองแต่ถึงยังไงถึงจะเชื่อยังไงเราก็ต้องพิสูจน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมันต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเราจึงจะมั่นใจรู้ได้ใตานการตัดกิเลสภายใน จ, ใจิตใจ เราจะให้คนอื่นตัดให้ไม่ได้เราจะให้คนอื่นละกิเลสแทนเราไม่ได้เราจะให้คนอื่นรับทานอาหารแทนเราไม่ได้เราจะให้คนอื่นออกกำลังกายแทนเราไม่ได้คือบางสิ่งบางอย่างแทนกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างแทนกันไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันการประกอบคุณงามความดีหรือว่าการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจคนอื่นทำแทนไม่ได้ตัวเองต้องทาแต่คนอื่นทาก็ได้อยู่ แต่ได้่น้อยเรามีมีส่วนให้แค่ว่าเราก็ได้รับความสะดวกสบายเมื่อเขาเทำหน้าที่หรือว่าทดแทนเราแต่จะให้เราได้รับเต็มอย่างเต็มที่นั้นคงเป็นไปนไม่ได้เหมือนกับเราเทานอาหารแต่ลูกหลานทานอาหารแทนแทนเราเราเห็นเขาทานอาหารเราก็มีความสุขใจเพราะลูกหลานเขาทานอาหารได้อิ่ม แต่จะให้เราอิ่มท้องเราคงจะไม่อิ่มแต่เรามีความสุขใจในระดับหนึ่งเห็นลูกหลานเขาทานอาหารอร่อยอันนี้ก็คือมีความสุขใจส่วนหนึ่งนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นการสร้างคุณงามความดีแก่การทำกรรมกรรมความชั่วกรรมชั่วนะเมื่อทำลงไปแล้วเดือดร้อนอันนั้นคือเราไม่ควรจะทดลองทดสอบ เราควรจะฟังเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าการทํากรรมลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นทุกข์ เ, กเมื่อภายหลังแต่บางเสียงบางอย่างมันทุกยาวเหลือเกินนะมันทุกยาวเหลือเกินในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้พระโมกคลาท่านเห็นเปรต เปลดที่ตีนเขาคิสกูดพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสักคืูวัดป่าเวลุวนนต่นี้พระโมกคลาท่านขึ้นไปพักจำวัดหรือว่าไปพักพรบนเขาคิสกูด ต, ตรงไหนจุดไหนก็ไม่ทราบ แ, แต่ท่านเดินลงมากับพระลักษณะพระลักษณะคือพระอุปถาก พระติดตามพระโมกคลาจากนั้นพระโมกคลาลงมาถึ ง, ถงตีนเขาท่านเห็นเปลดในญาณทัศนะของท่านคือไม่ใช่เห็นด้วยสายตานะเห็นในญาณทัศนะคือเห็นด้วยฌานของท่านด้วยญาณความรู้พิเศษของท่านท่านเห็นท่านก็เลยเยิ้มค่ะค่ะเยิมย้มให้ปรากฏ ภาพลักษณะที่เดินติดตามเห็นพระอาจารย์ยิ้มขึ้นมาเอ๊ะท่านอาจารย์คงเห็นอะไรแปลกท่านคงไม่ยิ้มแบบลอยลอยยิ้มแบบเมื่อรลอยท่านคงเห็นอะไรท่านจึงยิ้มในลักษณะนี้เพราะเคยถามท่านมาแล้วก็ถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เห็นอะไรครับท่านอาจารย์จึงยิ้มแย้มให้ให้ปรากฏ พระโมคคลาบอกว่าไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าก่อนยัค่อยถามผมนะถ้ายังไม่ถึงสำนักพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งถามท่านเอนก็เดินลงมาเมื่อก็ไปบินเบาตพอบินเ ท, ท่บาตฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดเป่าวเวลุวันได้กรุงราชคือพอขึ้นไปกราบนั่งพระสงฆ์ก็นั่งรับโอวาท จากพระพุทธเจ้ามากตอนเช้าพระสงฆ์ันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เข้าไปรับโอวาทที่พระองค์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังแต่นี้พระลักษณะกับพระโมคลาก็ขึ้นไปก็นั่งเสร็จ แ, แล้ว เ, เห็นว่าอยู่ในจังหวะเหมาะสมที่จะกราบเรียนพระอาจารย์โมคลาได้ก็เลยถามขึ้นท่านอาจารย์โมคลาครับ ที่ท่านพระอาจารย์เดินลงมาจากตีนเขาจิศกูดนั่นนะท่านได้แย้มดูว่ายิ้มผมก็ได้ถามท่านว่าท่านอาจารย์เห็นอะไรจึงได้ยิ้มท่านอาจารย์บอกว่าไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อนในเมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วยังค่อยถามผมแต่บอนนี้ผมได้มาถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วครับผมขอถามท่านอาจารย์พระอาจารย์ว่า ท่านอาจารย์เห็นอะไรในช่วงนั้นประโมกอะไรก็เลยยกมื อ, อมการาบคารวะพระพุธทธเจ้าประวัตข้าพระองค์เดินลงมากับพระลักษณะลงมาได้ตีนเขาเห็นเปรดตัวหนึ่งตัวยาวใหญ่มากตัวยาวสามขาวุธขาวุธหนึ่งก็หกสิบซอกอันนี้สามขาวุธก็เท่าไหร่สาม สามหกสามหกหกสิบสองซึ่งสามครั้งเป็นเปรตตัวใหญ่อยู่ที่ตัวยาวอยู่ที่ตีนเขาคิดจะกูดแต่มีท่อนเหล็กแดงค้อนเหล็กแดงค้อนนึงเหมือนกับค้อนแปดปอนด์แต่มันใหญ่ทุบหัวเปรตแต่ค้อนนั้นเต็มไปด้วยไฟไฟลุกโซนแล้วก็ใส่ ต, ต บ, ต, บ, ต, บตับตบตีหัวเปรต อจากแล้วมันก็อตายแล้วก็แตกแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็โทบอีกอแล้วก็เป็นแล้วก็เกิดแล้วก็ขึ้นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็โผล่ขึ้นมานะเพราะกรรมเปรตมีแต่ร้องขวนคางเจ็บปวดนกระผมเห็นแล้วโอ้หน้าทุเรศเอเขาใช้กรรมพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาสงทั้งหลาย เราได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนเราเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นหมดเปรตเนี่ยที่ไกรรมแต่ว่าเราไม่พูดถ้าเราเพือคืนพูดขึ้นมาโดยที่ไม่มีสกีพยานคนทั้งหลายก็จะหาว่า เ, เราพูดไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลแต่แ บ, บัดนี้โมกลาเห็น เ, เปรตตัวนั้นแล้ว เป็นความจริงเปรตัวนี้เป็นความจริงเขาใ ช, ใช้กรรมในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ท่านก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าเปรตตัวนี้เขาทํากรรมอันไหนไว้หนอพระเจ้าข้าเขาถึงได้รับกรรมอย่างนี้พระพุโตรองบอกว่าพระพุโตองท่านมีพระโมกขลาท่านก็มีญานรัจนะมีฌานแทปุเพในวาสารนจติยานจุตูปาตาญาณ นะท่านใช้ ย, ยาณนะรานะัตนจุดนั่นนะที่ท่านไปบรรลุตัดรู้ที่โครนต้นโพนะท่านก็บอกว่าเปรตตัวนี้นะ่ในอดีตชาติของเข า, เาคือสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติกรุงพารานสาีวันหนึ่งในกรุงพารานสีนะั้นมีบุรุษเปีย้ยคนหนึ่งใครๆบอกบุรบุรบุตที่เป็นร้อย ที่เป็นเปี้ยแต่เขามีเขาไปเรียนวิชาใครเขาบอกเขาเห็นว่าคนนี้มันคนเปี้ยเขาก็เลยประสิทธิ์ประสาทศิละปะให้แก่คนเปี้ยเพื่อจะอาจจะได้เป็นวิชาอาชีพของเขาไอ้บรูดเปียคนนี้เขาก็ไปเรียนวิชาดีดก้อนกวดดีดก้อนหินดีดจะให้มัน ดันดีขึ้นไปบนต้นไม้ต้นท้องฟ้าเนะ่ยจะให้เป็นรูปอะไรเอ่อทีนี้ก็เด็กน้อยทั้งหลายเด็กนักเรียนทั้งหลายเขาก็เห็นในเปี้ยในเตีย้ยในเปียนเนี่ยนะไปอยู่ที่ต้นไซอ่ที่ต้นไซใหญ่อยู่นอกเมืองออไปก็ว่าเ อ, อ้ในเตีย้ยจะทําอะไรเนี่ยผมจะ ด, ดีใบไซอ ย, อยู่ข้างบนจะให้เป็นรูปช้างรูปมา้ารูปอะไรได้ทั้งหมดนะ เด็กน้อยทั้งหลายคือผถ้าดีเก่งจริงๆเอาดีดให้ผมดูสิผมจะให้รางวัลไอ้เปียรนั้นก็นดีดดีดก้อนกวดขึ้นไปจะเอาเป็นช้างจุดนั้นนะจะเอาเป็นม้าจุดนี้นะก็ดีดให้เป็นรูปอะไรขึ้นมาคนเด็กน้อยทั้งหลายโอ้เห็นแล้วก็ตื่นตื่นเต้นที่ว่าเขาดีดก้อนกวดขึ้นไปไปเจาะใบไม้ให้เป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆอ่ ผลที่สุขขาก็เลยให้รางวัลแต่นี้ในช่วงนั้นพระเจ้าเป็นดินกําลังเสด็จมาพอดีพระเจ้าพาลานศรีเสด็จไปผ่านไปเพื่อจะชมสวนอุทยานนั้นนั่งรถมา้ามาก็เลยมาเห็นเด็กทั้งหลายเด็กๆนั่นเห็นก็แตกคืออะไไอ้เปี้ยไม่รู้จะซ่อนไว้ที่ไหนเพราะมันเดินไม่เดินไม่เก่งเดินไม่ได้เขาก็เลยไปยัดไว้ในโพรงต้นไสรท่านน่ะที่เป็นต้นไสรมันเป็นขาหยง้าหายางเขายัดไว้ที่นั่น พวกเด็ดก็เปิดแหนบแล้วไงเอ่อทีนี้พระจ่าพระราชาเข้ามาเข้ามาก็มาอยู่ที่ต้นไทรก็มองขึ้นไปเอา้าทําไมมันมีต้นใบไทรทําไมมันมีรูปช้างรูปม้ารูปอะไรขึ้นมาทั้งบริวารก็บอกว่าเนี่ยมันมีไอ้บุรุษเปี้ยไอ้นี่แหละคิวเนี่ยมันลดช่อนอยู่ที่โผงต้นไทรเนี่ยนหะไอ้ไอ้นี้เรามันดีดก้อนกวดอามานโตเซ ลาชาก็เรียกมาให้เปี้ยเขามาไอ้เปี้ยตะแก่ดีแัน่นี้ใช่ไหมใช่ครับเอเรามีเรื่องอย่างหนึ่งที่จะให้เธอเธอเธอช่วยดีดนะดีดได้ไหมจะทําเรื่องอะไรครับคือมีอํามาตะคนหนึ่งนะเวลาเราพูดขึ้นมาเนะี่ยพูดเราพูดเพียงคําเดียวนะ่ะอํามาตะคนนี้พูดต่อเนื่องไปจนเราพูดไม่ออกพูดไม่ได้ลําคาญเหลือเกิน อยากจะให้ตะแกเนี่ยเวลวอัมมาศพูดขึ้นมาเน่ะเอาดีดขี้แพะเข้าปากได้ไหมได้ท่านน่ยในในเปียว่านะปลปแต่งั้นรับปลาแล้วก็เอานายเปี้ยเข้าไปนะเวียงวังพกไปนี่วังกั้นม่านใช่ไมกนม่านพระราชาขึ้นสนทนาปาลบเรื่องประชุมราชการแต่นายเปี้ยก็ อยู่ในม่านเอาตะไกรตัดรูม่านเล็กๆพอดีดขี้แพะได้นะจากนั้นพอพระละพออัมหมาดคนนั้นจะอ้าปากดีดขี้แพะเข้าไปพอจะอ้าปากดีดขี้แพะหมดไปทนานหนึ่งขนานหนึ่งก็คือกระโปงมะพร้าวหรือกระหล่ำมะพร้าวหนึ่งหนึ่งกันะจวัทนานนะทนานหนึ่งดีดเข้าไปพอดีดหมด ขี้แพะหมดธนาเน่ยก็เลยเขย่าผ้าออพอเขย่าผ้าท่านี่พระราชาก็รู้แล้วว่าขี้แพะหมดธนานแล้วเ อ, อพอได้พอให้สัญญาณจากนั้นพระราชาบอกอาจารย์อาจารย์รู้สึกไวนะ้น่ะเวลาจะอา้าปากขึ้นมาล่ะมีอะไรเข้าไปในปากในท้องของอาจารย์มันเต็มด้วยขี้แพะแล้วนะไปชาระไปล้างออกเสีนะ เนี่ยการพูดไม่รู้จักประมาณพูดเกินไปมันไม่เป็นผลดีแต่นั้นพระอา ม, มาดก็เลยอํา ม, มาดพระราชาก็เลยลักษณะเก้อเขิดหน่อยอายใช่ไหมจากนั้นก็กลับไปก็สําระทองของตัวเองพระราชาก็อื้งตั้งแต่บัดนั้นมาอํา ม, มาดก็เลยหยุดพูดพูดน้อยลงเนี่ยพูดเป็นเรื่องเป็นราว ถามเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราพูดเท่าที่จําเป็นที่จะต้องพูดพระราชาก็เออดีที่เราใช้ให้เปียดดีขี้แพะเข้าปากอมบตเ อ, อ, อมบาตคนนี้หยุดอมบาตของเราเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมา อ, อรู้จักกาลเทสะไม่พูดมากพูดแต่น้ําแต่เนื้อเท่านั้นไม่พูดลามปาเหมือนแต่ก่อนเ อ, อ, อเราให้รางวัลเขาก็เลยให้รางวัล แกบุรุษเปี้ยไอเปี้ยเนะ่ยเอาให้หมู่บ้านสี่ทางสี่มุมเมืองอให้ได้ไม่หมู่บ้านสี่มุมให้ทํามาหากินในหมู่บ้านมอบบ้านสวยให้คือสมัยก่อนนะคือคนได้บ้านสวยคือคนในหมู่บ้านก็ต้องหาเงินให้เจ้าของบ้านเหมือนกับบ้านเช่าลักษณะอย่างนั้นนะ่ะนายเปี้ยนี่นก็เลยเป็นคนมีฐานะขึ้นมา พอเป็นคนที่พระราชาชุดเลี้ยงแต่ให้อํามาดองุงคนอื่นเขาบอโอ้เนี่ยศิละปะทั้งหลายนควรจะเรียนเพียงจะเรียนดีดก้อนขวดเท่านั้นก็ยังได้ดิบได้ดีถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นศิละปะทั้งหลายทั้งปวงเนคนเราไม่ควรจะมองข้ามควรจะเรียนศิละปะจะเป็นศิละปะขนาดไหนก็เถอะควรจะเรียนเอาไว้ดีกว่าดีกว่าไม่รู้อะไรเลย ควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้เรื่องศิละปะวิทยาเนี่ยเห็นไหมไอเปี้ยเนี่ยมันเพียงแต่ดีก้อนกรวดเท่านั้นมันยังได้สี่หมู่บ้านบ้านสวยทั้งสี่ตำบลอยู่ในทางหมู่ทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตกของเมืองพารานาสีอีกต่างหากเป็นคนมีฐานะขึ้นมานจากนั้นพอในเปี้ยเรียนจบแล้วมีคน อยากจะเรียนเอกเนี่ยนะในเปี่ยนไม่ให้ไม่ให้ง่ายๆเพราะว่ามันอันศิละปะตัว น, นี้น่ะมันเป็นศิละปะอิสระถ้าได้ขึ้นมาแล้วถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมนี่ยมันจะดีดใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้อตีมีบุรุษคนหนึ่งเข้าไปขอเน่นะไปขอเรียนไอ้เปี้ยกว่าไม่ได้หรอกผมให้ไม่ได้วิชานี่มันเป็นดาบสองคมมันมีคุณนน้อย แต่มีโทษมากกว่าเพราะมันฆ่าใครก็ได้ศิลปะตัวนี้นะแต่บุรุษคนนั้นก็ไม่ลดละภัยความพยายามเข้าไปอุปถัมปภะเอาใจไอ้เปีย๊ยวกันะอไอ้เปีย๊ยดูเห็นว่าเป็นคนดีมีน้ำใจมันคงไม่มีทับคงไม่ทำอะไรมั่งไอ้เปี๊ยก็เลยประสิทธิ์ประสัดวิธีการสอนวิชาให้พอได้วิชาขึ้นมาแล้วแต่นี้ผมจะลาแล้วอาจารย์ะ จะไปไหนนะครับผมจะออกไปหาวิชาชีพแล้วเธอจะทำอะไรละ่ะได้วิชาไปแล้วครับอันดับแรกผมจะเป็นดีดใส่คนดูนทดี่ได้วิชาแล้วนะไอเตี้ยก็จะดุ่งเหมือนการอ้าวไปทำได้ยังไงถ้าว่าเธอไปดีดใส่วัวควายเขานะค่าสินหมายในเป็นร้อยนะ ถ้าวันดีใส่คนค่าสินใหม่เป็นพันนะติดคุกี่ต่างหากนะอย่านะอย่าทํานะเ อ, อถ้าจะทําก็ทําสิ่งที่คนที่หรือว่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่านะนะั่นแหละคนไม่มีไม่มีใครไม่มีญาติโกหกติการหรือไม่มีอะไรเ อ, อดีดใส่ต้นไม้ก้อนหินไปอย่างนั้นอ่ะทดลองจะไปฆ่าคนไม่ได้นะตายนะไอ้ น, นั่นก็ออกไป พอออกไปก็จะไปดีดใส่บัวใส่ควายเขา ก, ก, ก็กลัวศีลใหม่ฮงจะไปดีดใส่คนก็กลัวศีลใหม่วัได้ไปเห็นพระปฏิเจกปนะ่ะเนียพระปฏิเจกพุทธเจ้านะ่ท่านกําลังจะเดินไปบิดถบาดเข้าไปในกรุงเข้าไปในกรุงพาราสนสะีเอ้ยไอ้โง่เนี่ยก็บอกเอ้ยพระปฏิเจกนองคงไม่มีพี่มีน้องว่ะไม่มีญาติโก้อิกาเป็นนักพรตนักปวดออกมาจากป่าดงพงภพัย ถ้าเราดีดกระดีดส่งหัวเพราะประเจกนี่แหะเอะพอาะว่าตอานั้นไ อ, อ้นั้นก็ดีดก้อนขวดเข้าไปในทางหูขวาแล้วงั้นไงใสายดีดปั๊บเข้าไปก็เข้ารูหูพอดีอพอหูปุ๊บทะลุหูซ้ายเลยเอคงจะดีดแรงมันเก่งศิละปะอันทำไมมันแรงขนาดนั้นเข้าไทราบเหมือนกันนะมันเก่งนะอไม่ใช่ธรรมดารนดะอคงจะใช้พลังจิตพลังใจเขาเสริมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ท่ลุเลยพระท่ลุพระประเจกโอ้บินทบาตเข้าไปในเมืองไม่ได้พระประเจกดเดินกลับกลับมาก็มาถึงวัดมาถึงอาสมของท่านที่ท่านอยู่องค์เดียวนะพอขึ้นไปศาลาท่านก็เลยประเรทนิพานนะตายนะพอตายเสร็จแล้วชาวบ้านก็เอ๊ะพระประเจกทําไมไ ม, ไม่บินทบาตวันนี้ท่านไม่ผาสุกท่านไม่สบายเหรอชาวบ้านกันลุ้มกันออกมาพรผู้ที่ใส่บาตรเขารักลักเคารพ นับถือเลื่มใสพระประเจกมีมากอยู่พอเข้ามาเอกนมเอกโง่ที่ไปฆ่าพระประเจตเนี่ยก็เดินตามหลังเข้ามาพอเดินเข้ามาก็เห็นพระประเจกจําได้โว้ยผมเนี่ยแล้วเป็นผู้ดีดก้อนกวดใส่เข้าหูพระประเจต์ผ่าองค์นี้พอว่าแต่นั้นชาวบ้านก็ก็เลยอ้าวจ้าบไอนี่มันฆ่าพระประเจกของเรานะ พอจับขึ้นมาก็ไม่รู้สอกไม่รู้เขาไม่รู้คอสเนะประชารถเลยไอ้นั้นก็เลยตายฮพอตายไปเลยพอประเจ ก, กันที่านเนี่ยไอ้นั้นก็ตายแล้วก็ไปตกอเวจีมหานรกอพอพ้นจากอเวจีมหานรกก็ขึ้นมาเป็นเปรตนะพอเป็นเปรกันเนี่ยนะคอนทองแดงคอนเหล็กที่เผาด้วยทองแดง ทุบหัวของเปรตตัวนี้อยู่ทนทุกข์ทรมารเนี่ยแะบาปกรรมตัวนี้เพราะนั้นบาปกรรมทั้งหลายอย่าทำเลยดีกว่าเมื่อทำลงไปแล้วน่ะมันให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเนี่ยนี่ทานและวาชาดกเรื่องนี้เรามาประมวลดูว่าวิชาความรู้มีประโยชน์ถ้าหาว่าคนใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่า ใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์เป็นวิชาในคำว่าวิชาความเนี่ยศิละปะคํานี่เป็นของอิสระในเมื่อได้เข้ามาเป็นของส่วนตัวเราจะใช้ไปในทางไหนถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ถ้าใช้ให้เกิดโทษก็เป็นโทษมหารเหมือนกันเหมือนกับหนุ่มหน้างโง่คนนั้นได้ศิละปะมาแล้วน่าจะทดลองใส่ก้อนหินต้นไม้อะไรก็ได้ทาให้ไปหาดีด <c oughs> ไปดีดิ ไปดีเศคนไปฆ่าคนนี่แหละอันนี้คือศิละปะอันหนึง่งแล้วก็อีกจิงที่น่าคิดส่วนหนึง่งเราไปอยู่กับผู้ใดใครก็าตามไปอยู่กับผู้น้อยผู้ใหญ่เข้าในที่ประชุม เ, เวลาเขาจะให้แสดงความคิดเห็น <c oughs> เราก็แสดงความคิดเห็นแต่พอเหมาะไม่ใช่ว่าพูดอะไรลามป่าไม่รู้จักหยุดจักยัง้งก็เหมือนกับ ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้อํามัดพูดไม่รู้จักจบก็ไม่รู้จะสอนอยังไงฮหจนได้เอาขี้แพะดีดเข้าปากซะจนหมดไปท่านานาหนึ่งหมดหมดไปกระโปงมะพร้าวหนึ่งเหมั้นกันเออะยังค่อยสํานึกได้นี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวความคิดอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเราจะเข้าไปหาปรึกษาใครเข้าไปหาใครอไม่ใช่ไปแล้วก็พูดปรามปรามปรามไปไม่รู้จักจบจักสิ้น ไม่ฟังคำใครเลยมันไม่น่าถูกนะเขาจะพูดหรือไม่พูดกนั่นะลํำคาญแต่อย่างหลวงพ่อเทศอย่างนี้นเออพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้นั่งฟังใช่ไหมหลวงพ่อเป็นผู้แสดงเหตุผลให้ฟังพวกท่านทั้งหลายฟังแต่เมื่อสนทนากันเนี่ยไม่ใช่ฟังนะมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแลกเปลี่ยนความรู้กันเ ร, กเราต้องฟังเขาบ้างแล้วก็ฟังจบแล้วเราต้องฟังเอาไล่ให้เหตุผลไป ไม่เมื่อเหตุผลไปนะ่ะเขาเขาให้เหตุผลมาเราก็ต้องเป็นผู้ฟังอเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันการปรึกษาปรารบกันการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละ <c oughs> แต่ต่าว่าพวกเรามีแต่แสดงความคิดเห็นแต่คนคนเดียวก็เหมือนกับอธรรมคนนั่นน่ะสมควรที่พระเจ้าแผ่นดินเอาขี้แพะดีดเข้าปากหนึ่ อันนี้ก็เป็นแนวความคิดชวนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันในโลกมนุษย์ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องวางตัวให้ถูกต้องคำว่าถูกต้องคำนี้คืออะไรอย่าให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเรียกว่าตัวเองวางตัวอย่างไรกับชุมชนและกลุ่มของตนเองนั้น น, น, นะอย่าจะทำให้คนอื่นเขาลำคาญ จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกับแนวความคิดเราการเป็นอยู่ของเราเนะนี่ยแหละนาชาดกฤติทานเรื่องนี้เนะี่ยสอนในหลายแนวเหมือนกันแล้วกับการทำความชั่วนะเห็นไหมตายแล้วไม่ไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะต้องต้องได้ใช้าบาปใช้กรรมแต่คนธรรมดาก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าพระโบรคาร์นะีท่านรู้เพราะเหตุหอะไรเพราะท่านมียาน ยานรัศนะคือท่านมีฌานท่านมีความรู้พิเศษ เ, เหมือนกับพวกเร า, นะเาไปตรวจตราดูในร่างกายของคนเรานะแต่เขามีกล้องกล้องจุลทัศนะ์เนยเขาจะรู้ได้ว่าเออเนี่ยในร่างกายของเรามีโรคชนิดนั้นมีเชื้อโรคชนิดนีอ้อยู่ในตรงนั้นตรงนี้พราล่ะเพราะเขามีเครื่องวัดเครื่องตรวจมีกล้องจุลทัศนะ์ แต่พวกเราจะเห็นแต่ตัวใหญ่ๆไนงะ เ, เห็นแต่ปลาหรือวอะไรอยู่ในถ้วยในจานเท่านั้นแหะเราจึงจะเห็นได้แต่เชื้อโรคตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นพ่อะอะไรเพราะเราไม่มีเครื่องมือฮนี้ก็เหมือนกันเครื่องมือของพระพุทธเจา้าเครื่องมือพระหรรันธสาวกเครื่องมือของท่านภูมิญาณทัจนะเนี่ยท่านรู้ได้เพราะนั้นพวกเรา ไม่รู้ไม่มียานรัชนะพวกเราก็ต้องฟังท่านไว้ก่อนฟังบุคคลที่ควรเชื่อถือถ้าว่าผู้ใดก็ตามที่น่าเชื่อถือเราต้องฟังไว้ก่อนเราจะเชื่อทีเดียวอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ได้แต่ไม่เชื่อทีเดียวเราฟังไว้ก่อนก็ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยยกว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดให้ฟังนี่ท่านเชื่อไหม พระสารีบุตรบอกว่ายังก่อนพระเจ้าค่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะเนี่ยขนาดพระสารวคธันก็นยังยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่พระพุทธเจ้าบอกตรัสให้ฟังเพราะยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วมันเป็นผลอย่างไร มันมีเหตุยังไงผลยังไงถูกต้องไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยถ้าได้ผลอย่างที่ตรัสเราโอ้ใช่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะั่นถูกต้องพระเจ้าค่ะพราข้าวพระองค์ได้นําไปปฏิบัติทดลองทดสอบดูแล้วจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัสได้แนะนําสั่งสอนครับผมนี่เนี่ยอันนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธะไม่ใช่ว่าพูดอะไรได้ยินอะไรมาเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ เราต้องวิเคราะห์เราต้องพิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะศาสนาพุทธเนี่ยท่านไม่ให้ไม่ให้ศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เชื่อมดไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องให้ใช้ปัญญาปัญญาพิจารณารอบคอบทีท่วนถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเพื่ออะไรจุดไหนอย่างไรเราต้องวิเคราะห์ในเมื่อวิเคราะห์แล้วใช่เหตุผลลงได้ ไม่มีท่อที่คัดค้านคัดแย้งยอมรับเมื่อยอมรับก็นําไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำาํทำทําเข้าไปแล้วเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนอไม่มีใครเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ, อกตังทุกตังเส้ยโยปราชตาปิติทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายเมื่อยกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ใช่ถูกต้องหาความหักห า, หาแนวขัดแย้งไม่ได้คัดค้านไม่ได้ยอมรับใช่จริงอดลองเลยต่นเราไปเชื่อลุกขึ้นมากับตีหัวกันเข้าในที่นี้นั่นแหละเขาก็จับเข้าคุกนะ เขาไม่ปล่อยให้ลอยนวลออกเมื่อเขาไปเป็นในคุกแล้วเป็นยังไงสุขไหมอยู่ในคุกฮะเออเป็นยังไงนี่แหละเมื่อกำชั่วให้ผลนะ่ะตนเองนั่นแหละที่เดือร้อนเพราะะฉนั้นพวกเราจะทําสิ่งที่มันไม่ดีนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งเปรียบเทียบกับ เ, เรื่องราวในอดีตในพระไตรปิฎกมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะ คือเรื่องนิทานเรื่องชาดกก็ดีเรื่องราวที่เป็นมากดีเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาพิจารณาและจากนั้นก็สิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าทำํำมันเป็นเครื่องบง่งบอกสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนั่นแหละนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร